ก็กเป็นมันได้เปลี่ยนมากๆสบายมากๆเลยใครๆเป็นว่าในที่นี้ค่ะใครๆฝึกปรกือว่าแสดงพวกเราไม่ค่อยสนใจศาสตร์ศิลปะของการรงอยู่นะรศิลปศาสตร์ของการรงชีวิตคนจีนเวลาณเขฉลาดมากๆแต่คนคิดเขาหาวิธีที่ทำให้ร่างกายและจิตใจประสาทนันตรงกลืนและสดชื่นขึ้น คนเล่นแทก็กเกอบ่อยนีย่หน้าตาจะหนุ่มแต่ไม่ได้หมายอายุไม่มีนะอายุก็แก่ไปตามเรื่องเนี่ยมีการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างนี้นมันทำให้เดี๋นนี้เขามาโฆษณาอะไรนะผมเห็นทางทีวีกายกับกจิตประสานกันหญิงอยางไอ้นี่กลายเป็นเรื่องเรื่องหลอกชาวบ้านมากขึ้นมากขึ้น แต่เดิมเป็นศิลปศาสตร์ชั้นสูงครับคนจีนบัญญัติกันว่าบุคคลที่เรียกผู้รู้นั้นรู้อะไรบ้างวาดรูปวาดรูปแบบจีนได้เนี่ยผู้รู้รู้ยุทธศาสตร์วิทยายุทธ์นะครับที่เรานั้นจีนเท่าเรียกรู้เรื่องยุทธศาสตร์รู้เรื่องวาดรูปชายเก๊กนะแล้วการปกครอง จริงจะเรียว่านักปราบถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนสิหนึ่งเป็นสิ่งีสำคัญนะผมจะบอกนะเมื่อรู้จักไทยแก๊กเคลื่อนไหวแล้วไอ้ไอการภาวนานี้ง่ายมากๆเลยเพราะมันสัมพันธ์กันอยู่ที่จริงไอ้ท่าที่ผมเอามาประยุกต์ใชน้นีอ้นี่คือเรื่องไทยเก๊กชัดๆเลยแต่ว่ามันลัดผมลัดวงจรขึ้นมาไทายแก๊กมันเคลื่อนทั้งตัว ซึ่งจุดหมายมันไปสู่เรื่องพลานามัยโดยตรงแต่นี้ผมต้องการเพียงให้รู้สึกตัวเพื่อเราจะทำวิปัสสนารถ้าไปไปลำไทเก๊กทั้งวันทั้งคืนนี่มันไปอีกทางนึงที่ต่างประเทศนะครับอย่างเราจัดรายการท่านี้เนะี่ยนี่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยผมรวยนนี่ครับสามวันเก็บคนละสามพันบาทต่อนหนึ่งคนเนียหลายหมื่นนนี่ผมรวยนะ พูดธรรมะนี่บคนจัดรายการนะครับว่าทุกคนต้องไปลงทะเบียนและจ่ายเงินพวกเราขนาดให้มันฟังฟรีมยังไม่เอานี่เปนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับโลกมันกลับตลบปาดันเช่นนี้สามพันนี่น้บว่าถูกมากสี่พันฟังเลคเชอร์ครั้งเดียวนี่อย่างน้อยก็พันบาทฟังครั้งเดียวคือชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมง ที่ชาววันตกก็หายที่จะรู้ศาสตร์ของชาวตวันออกโดยเฉพาะศิลปศาสตรการดำรงชีวิตซึ่งทางซีลโลกน้อนอ่อนมากๆแต่ไม่ช้าไม่นานนะครับเมื่อเขาก็หายอยากรู้เขาจะเป็นเจ้าของในที่สุดแล้ววันหนึ่งเราจะต้องไปเรียนจากฝรั่งเรนี้ก็เป็นนะนะพระไปเรียนพุทธศาสนาที่ลอนดอนครับไปทำวิยาเอกภาษาไทยที่เดนมาร์ก ภาษาของเราแท้ๆเนี่ยครับต้องไปเรียนของจากฝรั่งโลกมันเป็นอย่างนี้อีกหน่อยฝรั่งมาสอนเดี๋ยวนี้ฝรั่งสอนเยอะนะฝรั่งที่เขาปฏิบัติจริงๆเนี้เพราะมันได้บอกเขาไม่รู้นะคนเหมือนกันนะใครเอาจริงเขารู้สินะใ <c oughs> น, น, นอนาคตข้างหน้านี้ครับค่อยๆดูไปนะับพวกคนไทยจะต้องไปไปสําเร็จพุทธศาสนาจากเมืองนอก ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆนี้คับไม่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องไปเรียนเรียนจากตัวเองนี่แหละมีคนหนึ่งผมเจออาจารย์สอนที่มาลายสิงคโปร์ครับไปเรียนพุทธศาสนาสองปีจากลอนดอนเจอผมผมถามสติดูเดียวยังยังจับไม่ได้เลยไปเรียนเรื่องติดตัวแท้ๆไม่รู้ดังนั้นไปเรียนพระคภี์เขาเข้าใจไหมครับก็เรียนก็นไม่รู้จักจบทีดี พวกเราต้องเรียนกันไปที่ตัวจริงมันเลยนะง่ายแต่ว่าไม่ได้ปัญญานะม่นมีใครให้ปัญญาไม่มีใครให้สการปฏิบัตให้ตัวเองครับเพราฟังรู้ความรู้สึกตัวนี้มันรู้สึกตัวเองคล้ายๆได้รับอะไรบางสิ่งที่ ท, ที่น้าภาคภูมิเข้ารจไครับช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้โอ้ยดีกว่าปัญญามากเดีย๋ยนี้ปัญญามากเอาไว้ห่อถั่วได้ <laughs> พวกด็กเตอร์เดินกันชนกัน ปกเปกปกเปนกง เ, เทพยิย่ยงเรียนมากยิ่งมีความหมายอะไรนะครับเพราะว่ามันเรียนเรื่องนอกตัวเท่านั้นแหละอย่างดีก็เรียนมาแย่งงานคนอื่นทําไม่ไม่ได้วิเศษพิโสไม่ได้มีประโยชน์จริงๆนะเพื่อนมนุษย์กเรียนมากสงครามโลกสงครามย่อยๆเกิดจากพวกด็อกเตอร์เนั้ น, นครับทศศิษทศสาญามียัญมานี่นก็ทําสงครามโลกใครเป็นนะอย่างดีทะเลาะกับขุนขนานขงคนละนิด ปดากันบ้างแต่พวกด็อกเตอร์เนี่ยล้ายร้ายก่าผมผมไม่ได้พูดให้เกรดพวกนั้นนะครับเตือนว้มาพวกที่พลักดันชาติหนึ่งให้ทําสงครามในพวกด็อกเตอร์นั้นนะครับมันบ้าบอๆกันครับแต่มันยิงถล่มกันพวกวางแผนพวกด็อกเตอร์ดังนั้นนะผมจะบอกให้หัวดีๆเท่นั้นครับตายเบื่อแล้วมันนั่งปรับทุกข์แม้เราไม่น่าฆ่ากันเลยนะหลังจากฆ่ากันทั้งเมือนึง มนุษย์เป็นอย่างนี้ครับคือ ม, มันเมาอะไรก็ไม่รู้ครับเคยดูเทศอิรักกับอิลานนะตายเป็นเบื่อแล้ววันหนึ่งก็มันนั่งบอกแม้เราไม่น่ายิงกันเลยนะแต่ว่ายิงกันเสีแหลักลามทุกเรื่องครับมนุษย์มันจะมัวเมาคนบางคนเป็นโรคเคยเคยดูข้อธมภาษ์ทางทีวีไหมนอนโรงพยาบาลบอกอคนสัมภาษ์บอกท่านคะ บุหรี่มากไปยังไงหลังจากไอ้นี่สุดมันนอนโรงพยาบาลบอกบุหรี่นี่ไม่ดีเลยจะตายเลยคุณผูน่าจะบอกแม่บุหรี่นี่ดีทําให้ผมตายไวัยทุกไลายพูดอย่างนี้นั้นเลยครับจะมีประโยชน์อะไรครับจริงอยู่นะเตือนเด็กทุนหลังได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสูบเอาสูบเอาสูบเอาแล้วมาสัมภาษณ์ม้บุหรี่นี่ไม่ดีเลยครับพูดก็ไม่ค่อยจะมีแรงพูดนะ ทางที่ดีที่สุดนะั่นก็คือเรารีรู้ที่เป็นคนธรรมดาสามัญมีชีวิตได้ง่ายเรียบเรียบซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินทอง น, น้อยมากๆผมไม่เคยทำงานเลยรู้ไหมท่านนี้เจ็ดปีเนี่ยตกงานตลอดชาติไม่เคยมีเงินแต่ไม่เคยขาดเงินแต่ผมไม่แนะนำไม่ใช้ชีวิตยอย่างผม <laughs> อันตรายมากๆครับ อันตรายมากมาแล้วสถามมันอยู่ได้ไงผมตอบไม่ได้ก็อยู่มันอย่างเนี้ครับก็กินข้าวครับถึงเวลาก็นอนกินเสร็จถึงเวลาก็ไปช่วมมีหลายคนบอกว่าแหมอิจฉาชีวิตคุณจริงๆไม่ต้องทําการทํางานผมนึกนะอาจารย์แหมจะเองมั น, ม น, นม เ, เป็นข้าแล้วสนุกคือ <c ười> ชีวิตของกครของมันกําหนดไม่ได้ครับ แต่ผมก็อยู่ได้สบายพูดได้ว่ามีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรถึงเวลาตื่นเช้าก็ข้าวสารมีด้วยครับเสื้อผ้าบางทีมีคนซื้อให้ผมไม่ได้บอกว่าชีวิตเช่นนี้ดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมชอบมันเป็นจุทที่ของทุกคนนะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย คุณจะมีอาชี่อะไรก็ตามไม่สำคัญอะไรครับหรือเป็นขอทานหรือคนกวาดถนนถ้าคุณรักมันมก็กใช้ได้จริงไหมถึงคนจะว่าไงแต่ผมชอบมันเท่านี้จบแล้วมีเรื่องจริงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นครับในประเทศอินเดียเนี่ยคืออินเดียเป็นชาติมีขอทานมากที่สุดในโลกแต่ว่าฝรั่งนักวิชาการนักคิดตะวันตก เ, นเขาจะผิดอย่างสิ้นเชิงกับขอทานในอินเดีย เขคิดว่าขอทานคือคนที่ยากร้ายแล้วก็ขอกินนะครถ้าเราก็คิดตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ถ้าเราจัดสรรที่อยู่ที่พักให้อาหารแล้วขอเรากําจัดขอทานหมดรัฐบาลอินเดียหลงคาลงนักวิชาการโน่นตกนะครับก็สร้างที่เมืองจันดีก้านะครับสร้างแฟลตให้เทานิคชั้นเลอร์เลยออกแบบให้แล้วเกณฑ์ขอทานไปอยู่ปรากฏภาในสองเดือนขอทานหนีหมดเลย เพราะอะไรลุงครับทั้งๆมีอาหารมีเสื้อผ้าให้มีที่พักพราะขอทานในอินเดียมันรักที่อยู่ได้ร่อนครับก็จ้างให้ลงชอบที่เล่ร่อนขึ้นเหนือล่องใต้ขอเขากินไปด้วยสวดมนต์ภาวนาไปด้วยคล้ายๆนักบวชขอทานในอินเดียนักขุนช่างก็งงครับพูดว่างงไม่ถูกต้องเลยว่าเงง <c oughs> เข้าใจไม่ได้เลยมันทําไมนะพวกนี้จึงไม่อยู่ มีาหารเสื้อผ้ยารักษาโรคทุกอย่างที่ที่ทรักพึงบริการให้พอโกะขอาทานนี้หมดเลยเหลืออีกคนคือคนพิการที่เหลือเดินทางไม่ได้มนุษย์มันมันรักเสีภาพมากๆเลยครับนั้นขอาทานในเดียวนั้นเกิดจากความยากไร้หนึ่งเนเกิดจากจิตใจที่เป็นศาสนาหนึง่งเกิดจากเสีภาพส่วนบุคคลหนึ่ง นักธนาคารนดตกหนึ่งท <to meet an iously> ีมีอะไรเสื้อเสอจะไม่ใช่น้อยคือคือก็คิดตามแนวทางทวนตกจะเจอคนโดนอกนี่งงเหมือนกัน หรือด้วยจิตใจเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องวัดว่าเอะเราทำถูกหรือเปล่าถูกมากหรือถูกน้อยถ้าถูกน้อยคือผิดผิดมากนั่นเองดยนั้นจิตใจงคนทั่วไปนี่ยัสงสัยละความสงสัยไม่ได้เป็นวิสัยสามัญของทุกคน สงสัยเอตัวเราเนี่ยเคยมีอยู่ไหม ใ, หในอดีแล้วใ น, นแล้วเดี๋ยวนี้ตัวเราคืออะไรแล้วก็ในวันหน้าเราจะเป็นหนึ่งรหนอใช่ไหมครับเรามีความเครือบแคลงอยู่เรืองเป็นเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนใจเนี่ยความสงสัยทําบุญเสร็จแล้วก็ เราจะได้บุญไหมเนาะแม้ไปทำที่วัดทำสิ่งที่คนหนึ่นงเขาทำแต่สงสัยเคลือบแคลงเอ๊ะได้บุญจริงๆงหรือเปล่านะแล้วถ้าได้ได้มากหรือน้อยหรือว่าที่เราทำเนี่ยเขาว่าบุญก็บุญตามอะไรมันจะสงสัยว่าเราไปไปด่าใครก็สักคนหนึ่ง กรรมาสงสัยการกระทำตัวน ล, ลวเนี่ยเอ๊ะเราทำถูกไหมเป็นด่าเขางม่ช่หรือบางทีไม่ได้ทำเึ่นมีเพื่อนเข้ามาด่าเราสบประมาทเราเราเรากลัวเขาเราก็เลยเฉยไม่กล้าตอบตัวพอกลับมาถึงบ้านนึกเจ็บใจตัวเองแหมถ้าซัดกันมันเถอหน่อยก็ดี ถ้เราไม่ตอบต้บ้างเนี่ยเราทงถูกไหมเนี่ยเคลือบแคลงอย่างนี้สงสัยสงสัยที่บุคคลอาศัยอะไรครับที่ถึงเปความมั่นใจว่ากายกรรมวิมีกรรมนกรรมตัวคือการกระทำของตัวทัศนะของตัวถูกต้องอย่างรม่ทางที่ผิดพลาด บุคคลอาศัยสิ่งที่เรียกสติสมบูรณ์ดีนองถามโจนดูครับหรือปลกนัดแงร่นแบงก์อถามว่าในขณะที่สติแน่วหน้านั้นขายกุญแจแบง์ได้ดีใช่ไหมโจนก็บอกว่าใช่ครับผมถามตงรวจบอกว่ขาขณะที่ จ, จิตใจตั้งมั่นนันก็จับผู้รายนั้นดีใช่ไหม ทั้งนักเลงกีฬาซีเกมส์หรือที่เวลายิงปืนเนี่ยถ้าจิตใจวอกแวกแล้วก็มือจะสะั่นถาก็ยิงปิดเป้าใช่ไหมบอกว่าใช่ครับทุกคนจะร้องเสียงเดียวกันหมดสติสัสมปชัญญะนี้ครับเป็นสิ่งที่ที่ไม่ผิดพลาดว้นไว้แต่เราเข้าใจผิดต่อคาหมายคํว่าสติสัมปชัญญะเข้าใจไหมครับเพราะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ ตามสภาว ะ, ะที่เป็นจริงมีสิ่งเดียวในธรรมชาติของมนุษย์เรอด จ, จะยักยืองเรียกว่าสภาพเที่ยนธรรมก็ได้สภาพสมดุลก็ได้เข้าใจครับสภาพที่สมองกับหัวใจสอดคล้องครองดองกันดีก็ได้ได้ทั้งสิน้นเ็ได้ไหมการรเห็นตามที่เป็นจริงนั้นสับทางพุชานาเนี่ยยถาภูตะยา ยานที่รู้เห็นตามยะถาคือ ต, ตามที่มันเป็นยะถาใช ต, ตามที่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าไม่มีสติสมฤดีเนี่ยมันจะเห็นตามอยากเข้าใจไหมครับตามอยากจะให้เป็นนี่แหละงงนหมยกตัวอย่างห้องประชนี้ใหญ่หรืเล็กก็แล้วแต่เราอยากจะให้มันใหญ่หรือเล็กถ้าอยากให้ใหญ่กว่า น, นี้มันเล็กไปหน่อยจริงครับเสนอนีนน่ปรากฏเป็นสิ่งตรงข้ามกับความ ต้องการของมนุษย์เสมอไปเมื่อเกิดความที่ทำขึ้นในการในตัวเองนะครับสมบรูรดีเด่นชัดสติดีต่อเนื่องขึ้นสิ่งทั้งปวงก็ปรากฏตามที่มันเป็นเท่านั้นเองไม่ไม่ปรากฏตามที่ตราอยากดังนั้นเราจะไม่ขัดแย้งโลกที่เราอาศัยอยู่เลยครับเมื่อมีสติแต่พอขาดสตินี่เด่นน ไอ้เจตัวความอยากจะเห็นสิ่งต่างๆตามที่ที่อยากความที่ใครสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใครสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใครตัวเองเป็นเพศหนึ่งในขณะที่เป็นอีกเพศหนึ่งใครที่เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นในขณะที่เป็นอย่าอย่างโน้นโลกกรยุ่งสับสนด่วยมากใช่ไหมครับที่ผมพูดเห็นได้ชัดแต่ว่าเวลาปฏิบัติยากมากครับ แล้วก็เข้าใจจริงๆเราเอาจริงเรื่องยากเล่ง่ายไม่สําคัญอะไรเลยเหมือนว่าไฟไหม้บ้านที่เรานอนอนยู่นะครับไฟจะไหม้มากไม่น้อยเรื่องเรื่องคือต้องลุยออกมาเท่านั้นเองจริงไหมครับมันจะลุยยากก็ลุยง่ายไม่มีใครมันต้องคิดอีกแล้วจริงไหมหมือใครคนหนึ น, อ น, อ น, น้อยขาบอโอ้โหไฝนลุดมากแล้วนอนต่อดดีวกว่า <laughs> อย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ทนี้คำพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าจอดเองนะครับว่าพระสาวกจะเกิดขึ้นก็าตามไม่เกิดขึ้นก็าตามธรรมชาติตั้งอยู่แล้วอย่างนั้นที่เรามักจะยินชื่อคาว่าตาตาอะไรนี่ยธรมรมะมีแล้วครับพระเจ้าเป็นผู้วุ่นวายขึ้นเป็นคนแรกเท่านั้นเองที่ให้ดูว่ามันมีอยู่แล้วอย่างไรเปิดเผยแจกแจงท่านเปรียบตัวเอง คนที่ยืนอยู่ชี้ทางให้คนหลงเปิดเปย ด, ดสิ่งที่ปิดนะี่ธรรมชาติเป็นอยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้เห็นธรรมชาติครับแปลกนะครับสิ่งที่เราเห็นไม่ใชเราก็เห็นสิ่งที่ความคิดของเราคือมันเป็นมายาเพราะธรรมชาติตรงนี้ ม, มีตัวมีตนครับแต่เราไปเห็น ต้นไม้ระบบนี้คือธรรมชาติไม่ได้อนั้นรูปรูปทรงของต้นไม้แล้วมันเป็นเพียงภาพที่ตาที่ปรากฏมันเรตนาเท่านั้นเองจอของของเบ้าตาใช่ไหมครับแล้วรายงานไปที่สมองในการรายงานของกระสาตานี้นะครับที่เรียวกว่าออปติกเนิร์ฟเนี่ยเป็นการรายงานแบบพลุนครับแบบรูปโรู้เข้าใจศัพท์ที่มันใช้ไว้ มันรายงานเป็นคลื่นมันไม่ได้เห็นทั้งดุนเลยคือเพราะภาพตกกระทบที่จอตาปราศาารัยที่หน้าก็เคลื่อนไหวแล้วรายงานแบบเทเลกราฟครับคือพลุนพลุนนี่นั่นเหมือนเราเห็นในไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม, มันไม่สมบูรณ์แต่แล้วนี่สิ่งหนึ่งสามารถรวบรวมรวมพลนั้น น, นั้นให้เห็นที่สมบูรณ์ขึ้น เขาใจเหมือนโค้ดโทรศัพท์แล้วมีคนหนึ่งก็แปลความออกมาเป็นข้อความอีกทีหนึ่งแต่ต้องส่งไป้ส่งเป็นโค้ดอาจจะเคาะต๊ดตัตัตัตอีคนหนึ่งก็แปลรับนั้วสิ่งที่เราเห็นนั้นครับเป็นภาพครับเป็นการแปลความทางสมอง เราเห็นภาพของธรรมชาติแต่เราไม่ได้เห็นตัวธรรมชาติเลยครับตัวธรรมชาติหมายถึงอะไรครับตัวธรรมชาติหมายถึงกฎสัจธรรมของมันซึ่งซึ่งต้องเห็นด้วยด้วยปัญญาแล้วก็ต้องเห็นที่ตัวเองด้วยครับถ้าเห็นข้างนอกในเรื่องนี่ จะเรเห็นฝนตกน้ำแข็งละลายกลายเปนน้ำเราพูดได้เราเห็นอนิจังเห็นอนิจจารักษณะคือเห็นสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนไม่ต้านต่อตาเห็นเด็ตัวขึ้นจากเด็กที่ฟันนนมเป็นเด็กที่เป็นผูใหญ่ขึ้นจากผู้ใหญ่ก็ค่อยแก่งอแล้วก็ อยู่มาอีกสองวันหายไปจากโลกนี้ก็จังเลยคยับยืนยัหายรับไปคนนี่ตายมาแนละ้วเนี่ยไม่รู้เก่งขนาดน้นครอลองไปอ่านประวัตาสตรดอูองค์มหัศจรรย์ห้องเต้ก็ไมา่พ้นเป็นฟาโรห์ทำมัมมี่ตีหน้ากาคุ้งทองว่าอยู่ไม่ได้ คุณยอมมาแล้วเล่าๆของมนุษย์ที่ยับย้งการเกิดแก่สุงตามเรื่ด้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติขึ้นมาครับ แ, แล้วจะยับย้งการเกิดก็ไม่ได้ครับก็มา เ, า เ, เ, า เ, มเรื่อยๆมานรื่อไปเรื่อยๆเหมือนกับคลื่นเลยนะจากใดที่มีลมพัดคลื่งเกิดเรื่อยๆเกิดแล้วก็จบไปเกิดแล้วก็จบไปแล้วกฎรรมชาตินี้เห็นไม่ได้ได้วยตานะ ตอนนี้เห็นนิดนิดหน่อย่อยครับฉันอย่านั้นเองคนมือยุคเมา่เขาก็ค่อยๆเฉยๆเหมือนกันตอนสมัยหนุ่มสาวอาจจะรุรายเที่ยวเ่สัวียแก่เขาเฉยหมือนกันแต่เห็นคนแก่รุ่นเก้าสิบยังไปดิสโกเท็กเงหัวรอใยญ่คงย็นพิลึกกือกือละนั่งข้างเฉยแต่ว่ามันไม่จบสิ้นครับเพราะว่า ผมได้รับผลเ<ล>พียงแผ่วเบาจากการสังเกตธรรมชาติหรือพัฒนานั้นคำวิธีในการเจรยในศาสนานั้นเราต้องการนำตัวเองนำสีัญญาเข้าไปให้ลึกซึ้งขร้นให้ถึงแก่ น, นเลยจนปรากฏการรวงชาติลงหลอกลรวไม่ได้ถ้าเราจะเห็นแค่ความเปลี่ยนแฟลงนะครับอนิจจังทุกขงังอนัตตา เรายไม่รู้จักกยังไม่พ้นการเกิดแก่สุดนตายแต่เราต้องเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยเราจะพบต้วนั้นต่าพระพุทธรูปสุกองค์หนึ่งพระพุทธรูปทองคำแบบสุโ ข, ขทยัยเราก็เอาทองนั้นมาหลอมเพื่อเสถียในโบพระพุทธรูปแบบอยุตยา เราหัวทองก็ได้ทองจากทองแข็งเป็นน้ำทองเทงหรือเบลาทองไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจไหครับตัวทองนั้นไม่เปลี่ยนแต่ว่าแบบพระเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวชาติตั้งกฎตัวชาติก็เป็นอย่างนั้นนะครับตรมชาติชั้นที่เป็นตัวกฎกา ร, รเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ชั้นที่เป็นเนื้อหารจริงไม่ได้เปลี่ยนเข้าใจไหครับ เกศจะตายลงไปอย่างนี่ยทุกคนต้องไปอยู่อย่างนี้นี่ในห็นในดินในทรายในญ้าในทุกๆสิ่งในอุจจระปัสวะในทุกสิ่งเนี่ยแล้นจึงเรียกว่าธรรมะคือสิ่งทั้งปวงชั้นที่เห็นได้ปรากฏได้นั้นนนั้นผิวของมันนะชั้นที่เห็นไม่ได้ในตาเนี้ยฟังไม่ได้ยินในหูดมก็ได้ได้กลิ่นตัวนี้ต้องใช้ตาปัญญาครับตาปัญญานั้นต้องเปิ หลับครับชีวิตคนมีตาตัวเนึ่ไม่ไม่ใช่ตาอย่างเดียวนีีจะเรียกว่าตาใจก็ได้ครับเราจะนปน า, าเพื่อตาเเปิดเพื่อจะได้เห็นสัจธรรมในส่วนแกนส่งดยังมีลักษณะสิ่งนั้นเรื่องประปรานฉันเห็นสิ่งหนึ่งมีสีเขียวสักเดี๋ยวก็จางครับจริงนะงะ สิบปีออมสิบปีไม่จางล้านปีเดี๋ยเปลี่ยนนะสิ่งใดยังมีลักษณะอยู่ยังมีขนาดอยู่สินน่งนั้นเปล่าเปลี่ยนแ ป, ปลผวนได้ดังนั้เมื่อไปเพ่งเล็งกั น, น, ใ น, ในใดเข้าเราก็จะพบจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นทุกข์แม้แต่การภาวนาเนี่ยพ้ า, านั่งทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ ก, ก่อเกิดอิติสุดชั่วคราว แต่เนื่องจากมันยังมีลักษณะเป็นปิติคือลักษณะของมันเป็นปิติและดังนั้นมันจึงจางจืดจึงจบจงของสิ่งที่ร้ายรูปร้ายลักษณะร้ายขนาดร้ายกาลเวลาประกฏเด่นชัดที่ใจเรานะ่ดังนั้นเราก็เห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระนิพพานครับเพราะว่าร้ายลักษณะร้ายลักษณะก็ ย, ยังยูนเป็นนามธร กข้าจไหรักฎสัจธรรมนั้นเรามาดูง่ายๆในกฎของกรอบถ์กฎของแรงดึงดูดของโลกลลหรือเดซอนเราเรียนทุกคนม่เคยเรียนใช่ไหมครเคยเรียนใครไม่เคยเรีย น, น่ทุกคนรู้ว่าเ โ, โยนอิดขึ้นข้างบนเนี่ยโลกจะดูดลงไปทันทีเพราะว่าโลกดึงดูด นี่แต่ตัวเรานี่ที่เราเรื่อง่าน้ำหนักที่จริงคือแรงที่โลกกระทํากับเราใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ว่าใครเคยเห็นตัวกดตันนี้บ้างครับโ อ, อ้จับมันไม่มีครับจะบอกว่าไม่มีไม่ได้จริงไหมเราที่สังเกตรูปการภายนอกเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเท่าวัตถุที่ตกลงมาสู่พื้นดินเราโยนขึ้นเดี๋ยวมันตกลงมาอีก เราก็เลยสันนิฐานว่าจะต้องมีแรงดึงชนิดหนึ่งแต่เราก็ไม่เคยมองเห็นตัวมันยังไม่มีรี่ร่างกับกดเป็นการดึงดูดหรือกดเป็นการเบีงตัวยังไม่มีตัวตนยังไม่มีรูป ร, ร่างแต่เราจำบอกวงไม่มีไม่ได้จริงนะ เ, เครื่องบันไดกติเหยียบพลาดเพียงเดียวด้วยกดเป็นการดึงดูดก็จะสแสดงออกให้ดูกระโหลกนอกกระเพื่อ เรถ้าอยู่ น, นานๆเาขาสันครับแล้วดึงให้นอ น, น, อนโน่นลงแล้วก็นอนอีบทของเราในสัมพันธ์มากกับโลกและบรรยากาศครับทุกเต็มไปดกฎของธรรมชาติแต่เรนมองไม่เห็นตัวครับเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นเพียงิว่้าเห็นเราเห็นคนหนังเหี่ยวนันธรรมชาติกาลังดาเนินไปแต่ว่าไอตัวสักวจะนี่มองไม่เห็นตัว แต่ต้องเป็ น, บบนอย่างนี้ดังนั้นคนที่เจริญสตินะครมีสมรดีเด่นชดัดก็จะเริ่มประพินปรายต่อสัจธรรมซึ่งมองไม่เห็นตัวในขณะที่ค น, านายิ้มแย้กับโลกสนุกสนานนี่จะเห็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงเช่นหมายรถแกงขนมจะเก่าเสียแล้วมันเป็นอนิจจงว่าตัวหัวขึน้นใหม่ แล้วจเห็นอนุจังชนิดที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยผัว พ, พันกับความเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะจบสิน้นถึงจะหลุดออกมาเห็นว่าโอ้ ก, กี่คันกี่คันมันเก่าเท่านั้นจริงครับดังนันคนที่จะหลุดออกจากไอ้ผิวเปลือกของธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนี่คือพู้ที่จะสิ้นลักษณะอนุจังทุกขังอ น, าานัตตาเนี่ยต้องมาดูที่ตัวเองครับ ต้องสติต้องสงฆ์ดีหาดุลิภาพในตัวให้สมองจิตใจประสานกลมเกลียวกันนะครับเมื่อจิตกับวัตถุยังเข้าหากันละกันเหมือนดาบสอดกลับเข้าในฝัก้าใช่นะครับวอนนี้เราจะเลนเนยสีเมื่อจิตกบับกายกับจิตประสานกันดีมันมันจะถึงซึ่งสภาพไรลักษณะ ที่เราเรียกว่าสิ่งไม่ต่อผมไม่คิดว่าคำว่าจิตว่างเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าชวนเข้าใจผิดมรือที่เกิดปัญหาเมื่อทานอาจารย์โมกใช้คำว่าจิตว่างมีคนเข้าใจผิดเยอะคืเดียวเส้นร้องกระเป๋าคนอื่นม่จิตว่าง <c oughs> <c oughs> นี่เราชอบยิงผูนะ้นั้นแน้ มี่อยูจิตอยู่ว่างๆที่จริงเราทะเลาะกับเพื่อนอยู่ตลอเวลาแล้วก็ยังพูดเรื่องจิตว่างนี้ที่จริงมันเสี่ยงครับต่อคํานี้ผมคิดว่าเมื่อกายกับจิตประสานกันได้ดีมีภาพแล้วมันเกิดถึงซีฟิเจ้าเรียกว่าสุนิตาครับคือสภาพึ่งไร้ปัญหาซึ่งเรื่องสิ้นราวสุนิตาคําว่าสูนงนี่ครับ ว่ากายจิตได้สอบสวนไปจากรูปนี้แต่ก็มีกฎธรรมชาติพรากฎธรรมชาติมันเป็นศูนย์อยู่แล้วที่ไหนคืเรามองไม่เห็นตัวนะครับเข้าใจไหยครับทุกสิ่งที่มุนเียั้นห ม, น, มนเวียนเพื่อเข้าหาดุลนั้นครับดุลในดุล น, นั้นเป็นศูนย์หลวงพไทยจะเรียก ข, ขึ้ว่าศูนย์กลางคือถ้ากลางนั่นจะศูนหรือว่าใจกลาง แล้วพอถ้าข้าถึงกลางนั่นกคือใจ